ท่นเหล่านี้เนี่ยถ้าก่อนก่อนบรรลุเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้ามีศรัทธาเป็นหลักเขาเรียกว่าศรัทธานุสารีอยังไงนะเนี่ยนะถ้าเจริญด้วยปัญญาเป็นหลักแล้วบรรลุ ก, ก็เรียกว่าธรรมานุสารียังไงก็มีชื่ อ, อ ก, กลุ่มหนึ่งก็คือทิฏฐิปัตะกับอะไรอีกอย่างนึ่งกายสักขีเออไม่ใช่กายสักขีมันกลุ่มน้นศรัทธานุสารียธรรมานุสารีทิฏฐิปัตะแล้วก็ศรัทธา สัทธาวิมุตต์เนี่ยนะเนยอะนะพวกนี้ก็เป็นกลุ่มขอชื่อของพระอริยะสายสายสายทางนี้ น, นะสายที่ว่าอนาคตของท่านก็คือกลุ่มอัญญาวิมุตต์ทีนี้กลุ่มอุปโภภัณฑ์เขาวิมุตต์เนี่ยนะอุปโภภัณฑ์เขาวิมุตต์ทาก็คือหนึ่งได้อากาสานัญญ า, นาตนะแล้วต่อด้วยอรหั ต, ตมรรมข้อที่หนึ่งนะสองได้วิญญาณัญญ า, นาตนะแล้วก็อรหั ต, ตกรรม สามได้อากินจัญญายตนะแล้วได้อรหั ต, ตมรรคสีได้เนวะสัญญานาสัญญายจตนะแล้วบรรลุอรหั ต, ตมรรคพวกนี้ก็เรียกว่าอุปโตภาควิมุตสี่แล้วก็หา้าพระอนาคามีเข้านิโรธ น, นะนิโรสมาบัติออกจากนิโรธแล้วอรหั ต, ตมรรคเกิดอันนี้ก็เรียกว่าอุปโตวิมุต ทีนี้ถ้าบุคคลพระอริยะชั้นล่างๆเช่นพระโสดาบันไดอรูปฌานเช่นพระบุคคลไดอรูปฌานแล้วเป็นพระโสดาบันท่าสกท า, าคามีพระนาคามีเนี่ยพวกนี้เรียกว่ากายสักขี น, นะกายสักขีหมายถึงพระอริยะเบื้องต่ำา น, นะเบื้องล่างสามที่ไดอรูปฌานก็ดูรายละเอียดในวิสุทธิมัช ก, ก็มีนะในวิสุทธิมัชปัญญานิเทศก็มีในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะ แถวแถวกีตาคิริสูตรก็มีกระดูทำพระธรรมที่กล่าวถึงพระอริยบุคคลเจ็ดประเภทน่ะนะก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระอริยบุคคลก็ฟังไว้คร่าวๆไปก่อนนะนะเสียพูนไปก่อนเดี๋ยวตอนหลังค่อยเอามากล่าวโดยพิสดารอีกครั้งหนึ่งนะนะก็คงอีกระยะหนึ่งก็ได้กล่าวเรื่องของพระรอริยะคงกล่าวอีกหลายครั้งอ่ะนะเรียนไปก็เจอไปก็เอามากล่าวซ้ําแล้วซ้ําอีกนนะวนจนกว่าจะอะไร แคำว่าปรุงจะกว่าจะกว่าจะได้บรรลุเองอยากให้ท่านทบทวนเรื่องอภิพายตนะนะครับว่าต่างกันยังไงสําหรับดูรายละเอียดสองข้อแรกนี้จะมีความสําคัญในรูปภายในส่วนอีกหกข้อนั้นจะมีความสําคัญในอรูปภายในแล้วก็เห็นรูปภายนอกมีประมาณแล้วก็ไม่มีประมาณท่านี้ต่างกันยังไงครับว่า ในรูปภายในกับในอรูปภายในข้อข้อหนึ่งข้อสเนี่ยนะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยจำายง่ายๆว่าผู้ที่เจริญอาการสามสิบสองภายในข้อสามข้อสี่ไม่ได้เจริญกรรมฐานภายในอันนี้กลมหนึ่งนะส่วนข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งเนี่ยอารมณ์เล็กข้อสองอารมณ์ใหญ่ข้อสามอารมณ์เล็กข้อสี่อารมณ์ใหญ่ก็ต่างกันอย่างนี้ ครานี er ้ความสำคัญในอารูปภายในนี้จะพิจารณานาทธรรมอะไรครับคือไม่ได้ใส่ใจอาการสามสิบสองภายในมีอธิบายในอัทธกานิบาตก็พอมีนะในอัทธกานิบาตอังคุตรนิกายเนี่ยนะแล้วก็ว่าโดยสรุปเน่เนื้อหาก็มีมีอยู่ที่นั่นนะเนีกนี้พวกนี้เจริญกสิณอย่างเดียวนะครับ เธอตรงนี้เนี่ยมุ่งอธิบายฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์อยู่ธรรมะกลุ่มนี้เน้นอธิบายเรื่องฌานอยู่ถโาพวกที่ได้เจริญอานาปานาสติหรือว่าเจริญพวกอสุภะแล้วเข้าฌานได้ว่องไวเพรวะนั้นเขาไม่เรียกอภิพาญตนะอะยครับกลุ่มอสุภะาภายนอกใช่ไหมอสุภะภายนอกมันมาณสิการโดยความเป็นปฏิกูลแล้วเข้าฌานได้นะก็ ก็ถ้าจะเป็นได้ก็คือข้อสามนะถ้าถ้าจะเป็นได้นะถ้าเจริญอสุภาพอย่างเดียวโดยที่มียสุภาพเป็นอารมณ์แล้วก็ทรงจำมัสุภาพจนได้บรรลุมรรคผลนี้เป็นพวกเอ่อถ้าจะเป็นได้ก็อข้อสามนี่มาขึ้นอนุปภาพวิหารอนุปภาพวิหารธรรมเก้าเลยนะคําว่านวะอนุปภาพวิหาราอนุปภาพวิหารเก้า มีความว่าภายหลังแห่งธรรมะมีในก่อนก่อนชื่อว่าอนุ ป, ปุปภะก็แปลว่าตามลำดับะนะก็หลังก่อนนะก็ก่อนมันก็ก่อนอยู่แล้วนะหลังก็หลังอยู่แล้วนะวิหาระนี้แปลว่าทาเครื่องอยู่วิหารนะแปลว่าทําเครื่องอยู่ทีนี้อยู่ตามลำดับนั่นแหละอนุ ป, ปุปภะก็คือตามลาดับใช่ไหมทำเครื่องอยู่ตามลำดับเลยชื่อว่าอนุปปภพวิหาระ เพราะเป็นธรรมะอันพโยคีบุคคลพึงอยู่คือพึงเข้าอยู่ตามลําดับถ้าเข้าได้ก็เข้าตามลําดับไปเลยอธิบายว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันบุคอันโยคีบุคคลพึงเข้าอยู่ตามลําดับอนุปภาพวิหารธรรมเก้าเป็นไนก็จําง่ายๆก็รูปปัจจานสี่อารูปปัจานสี่และนิโรสมาบัตินั่นเอง ข้อแรกก่อนนะว่าดูความพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจริงก็ต้องสงัดจากตามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะมีวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่นะถ้าเป็นสำนวนที่อื่นนี่จะต้องมีคําว่าสงัดจากกามด้วยนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารปีติสุขปีติสุขที่เกิดจาก วิเวกอันนี้เป็นองค์ของผู้ที่เข้าปฐมฌานได้และก็รายละเอียดเกี่ยวกับปฐมฌานเนี่ยนะมีอธิบายในอัตถกถาพระวินัยเวรัญชการ น, นี่ก็อธิบายไว้ดีกว้างขวางแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในอัตถกถามหานิเทศเนี่ยนะในอัตถกถามหานิเทศที่ขยายเรื่องฌานก็อธิบายไว้กว้างขวางพอสมควรเนี่ยนะที่แล้วก็อีกที่หนึ่ง คือในฌานวิพังในคำบีวิพังเล่มเจ็สิบปดก็อธิบายไว้ดีพอสมควรก็โปรดติดตามดูตามนั้นองค์ประกอบของการเข้าฌานส่วนอีกที่หนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือวิสุทธิมัชเนี่ยนะสมาธินิเทศอะไรนีก็ใครรักสมาธิอ่ะนะรักเข้าฌานเนี่ยยอม บ, บางคนเขาโอ้โหยอยากได้ฌานมากเลยนะรักฌานมากก็ไปคนดูตามนั้นกั็แล้วกันก็ไม่ค่อยไปอ่านเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่ารักฌานจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พอแนะนําเมื่อไหร่ก็เงียบเลยว่างั้นทีมาดูฌานที่สองนะว่าเพิกศุขเพราะระงับวิตกวิจารณเสียได้ก็เข้าทุติยฌานอันเป็นความผ่องใสแห่งใจในภายในมีอารมณ์เป็นโอกเอโกที่ภาพความที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยนะเอโกที่ภาวะอันนี้เป็นชื่อของสมาธินะไม่มีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เอโกที่ภาวะนั้นเป็นชื่อของสมาธิเนี่ยนคะ้น ก็ทุติยธานี้มีองค์เท่าไหรอ่องสามนะปีติสุกเอกขตาเนี่ยนะมีองค์สามเพราะว่าถูกละไปสองคือวิตกกับวิจารณ์ถ้าเข้าเตตาทติยชาญบอกที่สุขเข้าตาทติยชาญอันปราศ จ, จากปีติอยู่ด้วยอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขทางกายซึ่งพระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติ มีธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขนะนะั่นนะก็เรียกว่ามีแต่ความสุขโดยที่การปีติออกไปอ่ะนะคนนี้ เ, เรียกว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างมากเพราะว่าปีติมันลักษณะความเอิบอิ่มใช่ไ้มคนที่กันไม่ให้ปีติมันเกิดให้มีแต่สุขล้วนๆเนี่ยต้องใช้สติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้ามากก็เลยเรียกว่าภาพยะถึงต้องชมเลยว่ามีสติสัมปชัญญะมากที่กันไม่ยอมให้ปีตินี่ไหลเข้ามาได้ เพราปีติเนี่ยมันเป็นธรรมะที่คนนี่หอยหามากนะมันเป็นความอิ่มที่เรียกว่าของเราทั้งหลายพอเจริญผู้ทานุสติปีติก็ยังยังติดเลยบางท่านเถอะจะกล่าวไปใายไยถึงเราว่าเข้าชานโดยที่มีปีติมีความสุขทั้งวันทั้งคืนแล้วอยู่ๆแล้วมากันออกไปอ่ะ่ะกันไม่ให้มีปีติแล้วก็ให้มีแต่สุขล้วนๆอันนี้ก็เลยเรียกว่าต้องอาศัยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเลยแหละส่วนภิกษุ เพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมนัตก่อนเสียได้จึงเข้าจตุรชานอันไม่มีสุขและทุกข์บริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสติอยู่แกว่าจะหาความสุขอย่างนี้ได้นต้องละสุขเข้าไปอีกอ น, นะนก็นับว่าเก่งมากนะจริงจะททำได้ข้อห้าพิกษุเพราะล่วงรูปประสัญญารูประสัญญาหมายถึงรูปฌานรูปปาวจรฌานสิบ้านะ ดับปฏิฆาสัญญาคือทวีปัญจวิญญาณจิตสิบไม่ใส่ใจในนานาตาสัญญาคืออาคุศลสิบสองหรือหรือพูดง่ายๆก็คือจิตสี่สิบสี่ดวงที่เหลือไม่ใส่ใจในจิตกามาวจรจิตสี่สิบสี่ดวงที่เหลือโดยประการทั้งปวงแปลเป็นภาษาไทยๆอีกในหนึ่งง่ายๆว่าละกามาวจรจิตห้าสิบสี่รูปาวจรจิตสิบห้า นนะก็เลยเข้าอากาสานัญจายตนะโดยปริกรรมว่าอากาโศอนันโตเนี่ยอาันโตอากาโศก็คืออากาศไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ละจิตได้เยอะมากเลยนะแต่ละด้วยวิคัมพนะปะหาน่ะนะละกามาวจรจิตห้าสิบสี่ละมหาคตาจิตสิบห้าแล้วจึงเข้าอากาสานัญจายตนะได้โอละรูปประชานทั้งหมดนะกว่าจะได้ฌามายังต้องละอีกนะ แต่ถ้าหวงอย่างนี้ก็ไม่ต้องบรรู้แล้วมรรคผลนิพพานะนะก็ยังติดในสังขารอยู่อย่างั้นนะคือเราตอนแรกแนละตอนที่ฟังเรื่องอขันมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะพอม่ได้ฌานเข้าเอ๊ยยังไม่อยากคิดเลยว่าฌานคือโรคฌานคือฝีฌานคือลูกสอนนะฌนะานคือความลำบากเนี่ยนะจะให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงไม่น้อมไปจะเพื่อจะเจริญง่าย อย่างแค่ธรรมนาทั่วๆไปเนีเราคิดไหมว่าสมมติเจริญปีติสามโพชงเนี่ยนะปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์้ยจนได้ปีติโศมานัตแล้วพิจารณาเนี่ยปีตินั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นนักเป็นดังผู้อื่นเป็นเพชฌฆาบเนี่ยเคยถามคุณมุลชูว่าเจริญพุทธานุสติแล้วมีปีติเนี่ยแล้วเห็นปีตินั้นเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีไหมบอกว่ายังครับยังครับเหมือนกันเออไปเจริญกันแล้วกัน แล้วก็นี่แหละที่มันโหยากนะกว่าจะทําได้ยังบอกว่าไม่เที่ยงต่อีกนะเนี่ยเพื่อที่จะตัดฉันทราคาในสิ่งนั้นเพราะฉนั้นสมถทาวิปัสนาจึงหน้าติดไงที่ไม่ปรินิาพานก็เพราะติดในสมถทะและวิปาาัสนานี่ยข้อหกนะภิกษุก้าวล่วงอาการสานันใจยตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าวิญญาณนันใจยตนาด้วยบริกรรมว่าอา น, า น, า น, านันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่ ส่วนข้อต่อไปภิกษุก้าวล่วงวิญญาณัญจาเ ย, ยตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญ ญ, ญาเยตนะด้วยบริกรรมว่านัตถิกินจินิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหมายความว่าไม่มีจิตเจตสิกอยู่เลยเนี่ยนะไม่มีจิตเจตสิกมนัิการในความไม่มีจิตและเจตสิกแล้วเข้าฌานเรียกว่าอากินจัญญาเยตนาข้อต่อไปภิกษุก้าวล่วงอากินจัญญาเยตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าเนวสัญญานาสัญญาเยตนาอยู่ เพราะเนวะสัญญามีอากินจัญญาเตนาเป็นอารมณ์ทีนี้ส่วนข้อเก้าเนี่ยอันนี้ยากครับเพื่อนเพราะคนที่จะก้าล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทายิตานิโรธคือดับสัญญาและเวทนาเนี่ยอันนี้ยากยากยังไงก็คือว่าจะต้องเข้าฌานที่หนึ่งออกจากฌานที่หนึ่งและเจริญวิปัสสนาแล้วเข้าที่สออกจากฌานที่สองและเจริญ วิปัสนาเข so like ้าชาอัะเจริญวิปัสนาเสร็จเข้าฌานที่สามออกจากฌานที่สามเจริญวิปัสนาแล้วก็เข้าฌานที่สี่แล้วก็ออกจากฌานเจริญวิปัสนาเข้าอรูปฌานที่1ออกแล้วเจริญวิปัสนาเข้าอารูปฌานที่สองออกแล้วเจริญวิปัสนาเข้าอารูปฌานที่สามออกแล้วเจริญวิปัสนาแล้วก็จึงตั้งมนะสิการว่าจับดับจิตและเกจติสิท์ชั่วระยะเวลาเช่น7็วันเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็หลังจากนั้นจึงเข้าเนวะสัญญานาสัญญายกณ น, นะเนวะสัญญาเกิดกี่ขณะจิตก็สองขณะจิตก็ดับจิตและเจตเสิกตามเวลาที่ตั้งเอาไว้นะหลังจากนั้นออกปับ๊บมีนิพพานเป็นอารมณ์